เอาคุณพระพุทธเจ้านั่นไปตั้งไว้ในจิตใจให้ใจมันนึกถึงแต่พุทธโธนั่นเมื่อมันยึดพุทธโธได้แล้วมันก็จะไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นมันก็จะมีแต่พุทธโธอยู่ในจิตอย่างเดียวนานเข้านานเข้า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 มันก็มีแต่มันจะสงบรงนะนะจิตนี้นะการหมายความว่าตัวเองนั่นแหละต้องการความสงบไม่ต้องการคิดสรงสายออกไปมันไม่มีสองมีสามอะไรหรอกจิตมีดวงเดียวนั่นเนะ่ถ้ามันน้อมไปทางความสงบมันก็สงบลงได้ถ้ามันน้อมไปในทางความคิด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 ดันั้นเมื่อจิตมันสงบลงไปตติก็ต้องตามไปให้ทันกับจิตจิตสงบอยู่ตรงไหนสติก็ให้อยู่ตรงนั้น hmm. นั่นก็จิตก็หมายถึงความรู้นั่นเองแหละเมื่อความรู้นั้นมันมีแต่รู้อย่างเดียวมันไม่มีคิด มันไม่มีปรุงไม่แต่งแล้วก็แสดงว่าจิตมันตั้งลงได้มันสงบลงได้สติก็อยู่ที่รู้นั่นแหละสติก็ควบคุมไอ้ความรู้อันนั้นแหละให้นิ่งอยู่ต้องทำอย่างนี้อันการที่จิตใจมันจะสงบลงได้นะ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 หรือว่ามันก็จึงแบกของหนักได้ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่เข้มแข็งก็แบกของหนักก็ไม่ได้เลย <c oughs> เรายังทำได้เมอทีมาอดกั้นทนทานเม่ให้จิตมันคิดนี่ทำไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้เลย <c oughs> แต่งานยังอื่นทางยังทำได้หนักกว่านี้จนว่าอาบเหงื่อต่างน้ำนู้นมันก็สู้อันนี้ไม่ได้ถึงกับเหงื่อออกอะไรเลยก็ย ก, กลัวเสียแล้วไม่กล้าสู้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกล้าสู้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 แล้วก็ทั้งเบื่อหน่ายด้วยหมายเอาอย่างนั้นรู้เห็นธรรมดานี่ไม่เบื่อไม่หนายนี่มันก็เรียกว่ารู้ตามวิญญาณหมายตามสัญญาเฉยๆอ่มันมันก็ละความยึดถือไม่ได้รู้ตามสัญญาตามวิญญาณเฉยๆนี่นะมันละไม่ได้ พอเมื่อได้เพ่งพินิษเข้าไปเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเกิดจากความสงบใจนั่นนะ่ะนั่นแหละมันถึงจะสังเวชสรลดใจแล้วก็เบื่อหนายสังเวช ท, ทำไมอะ่ะก็สังเวช ท, ที่จิตใจมาหลงอาศัยยึดถืออยู่ในของไม่เที่ยงนี้นะน่าสังเวช ของนี่ไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากด้วยทั้งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ยังมา ง, งมถือว่าของเราอยู่อย่างนี้นะยังหวงแหนอยู <c> ่ <oughs> ยังใช้ไปทําบาปทํากรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้ เมื่อใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วเข้าไปแล้วคำชั่วนั้นมันตามสนองกิจนี้ไม่ได้สนองกายบ้านีร่างกายนี้มันก็แตกสลายลงอยู่พื้นแผ่นดินนั่นไม่ไปไหนดวงกิจนี่สิคำชั่วที่ตัวทำนั่นมันฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิ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 อาการอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรตาเหมือนกันหมดเลยขันห้าใดๆก็ดีทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดสุก ข, ขุมอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ในลักษณะสามนี้เหมือนกันหมดเลยดังนั้นเมื่อจิตนี่มันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว มันก็คลายความกำหนัดยินดีลงทําราคะโทสะโมหะให้น้อยเบาบางลงไปโดยลำดับถึงจะละให้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ได้ก็ทำให้น้อยเบาบางออกไปจากกิตใจนี้เรื่อยไปมันก็มีอยู่สอง ประการอย่างนี้แไอ้การละความยึดถือนี่นะประการแรกนั่นหมายถึงว่าปัญญามาแก่กล้าเต็มที่แล้วก็สามารถละความยึดถือได้เด็ดขาดไปเลยท่านเรียกว่าสมุทเฉตถะหานประหารกิเลสอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้เด็ดขาดไปเลย จทางขับประหารประหารไปได้ชั่วระยะหนึ่งนั่นแหละวิขัมพะนประหารคือละไปได้นานสมควรโยกลัวมันจะถอนนะ่ะวันนี้เราบำเพ็ญไปเพื่อที่จะให้ได้สมุดเฉดถประหารหนุ่นคือว่ามุ่งหวังให้มันละขาด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 การสั่งสมบุญกุศลอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี่มันจึงทำไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเหตุว่ามันเข้าใจผิดอย่างหนึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพอทำไปได้ความสบายหน่อยหนึ่งแล้วก็พอใจแล้วก็หยุดอยู่เสีย ไม่ทำความเพียนต่อมันก็เลยไม่รู้ยิ่งขึ้นไปกลัวเดิมรู้อย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นเห็นอย่างไรก็เห็นอยู่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้าไปได้ละความยึดความถือก็ไม่ได้ละได้เพียงเท่าที่ละได้มาแล้วเท่านั้น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 อ้าวมันก็กลับไปรักอีกแล้วนี่ท่านเรียกว่ากุปปะธรรมโมแปลว่าธรรมนั้นยังกําเริบอยู่มันยังใช้ไม่ได้ต้องเตือนตนถ้าจิตใจของใครเป็นอย่างว่านี่ก็อย่าไปนิ่งนอนใจต้องเล่งความเพียรเข้า กิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละมันมากระตุ้นเตือนใจของคนเราไม่ให้หยุดวิ่งให้ทำความเพียรสำหรับผู้เบื่อทุกภัยในวัตะสงสารเน่ความรักอย่างนี้ถ้าสะก ส, สมมันให้มากๆเข้าไปมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ระ น, นาประการเลยทุกข์ทั้งร่างทางทางจิตใจ ด้วยทุกทั้งร่างกายด้วยความชังก็เหมือนกันเนะ่ะเมื่อสะสมให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำความชั่วต่างๆนาน า, นาใส่ตัวเองมากมายเลยทีเดียวความรักเมื่อสะสมให้ มากมากเข้าไปก็เป็นเหตุให้่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมกล่าวมุสามราถวาดดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาทุกอย่างก็ความรักอันรมันประกอบไปด้วยอวิชชาความไม่รู้<ม>เหตุน<ม>ั้นมันถึงได้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 แล้วก็ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่วิบัติเสียหายแต่อย่างใดเช่นนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายงายได้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้จริงๆแสดงว่าแต่ชาติก่อนน้นตนได้ทำบุญกุศลตนได้ให้ทานได้รักษาศินไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ตนได้เจริญเมตตาภาวนาได้แผ่ไมตรีจิตอุททิศความดีที่ตนทำให้แกร์สรระสัตว์โลกทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้อา น, นิสงส์ให้ทานนั้นให้ทานเข้าน้ำโภชนะอาหารผ้าหนุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัย มูนี่มันก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชาดีมีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารการกินบริโภคพอสมควรมีผ้าหนุ่งผ้าห่มไม่ขาดแคลนแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์ดี โรคภัยอันร้ายแรงไม่ไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายอันนี้เกิดจากการเป็นผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลมาแต่ชาติก่อนคนได้ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนแล้วกรรมนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทำให้ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายนี่รักษายัางไงก็ไม่หายก็ควรรู้ตัวผู้ใดเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละกรรมเวรที่ตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดมาแต่ชาติก่อนหนลังกรรมนั้นมันติดสอยห้อยตามมาเ ม, เมื่อมันได้โอกาสเวลาได้ มันก็ให้ผลเวลานั้นนีนี่เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายที่ได้มาด้วยบุญอย่างนี้แล้วมองดูจิตใจวานี่จิตใจก็ดีใจไม่เป็นคนใจดำอำมหิตไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมีจิตใจเผื่อแผ่เ อ, อเื้อเฟื้อ แก่บุคคลที่ควรเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ถ้ามาเห็นจิตใจตนเองเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนตนก็เคยอบรมจิตใจมาฝึกใจให้ดีให้มีเมตตาการุณาต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้รู้จักสงเคราะห์สงหาผู้อื่นกิริยา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 อยากจะยกตนออกจากทุกข์เห็นว่าการเกิดมามีขันห้าธาตุสี่นี่ขึ้นมานี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะมามัวสำคัญว่าของเราของเขาแล้วทำความกำหนัดยินดีอยู่ในขันห้าอันนี้ไม่สมควรเลยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะได้อาศัยมันไปอยู่ไม่นาน สักหน่อยมันก็จะแตกดับทําลายไปแล้วเมื่อหมดบุญหมดวาดสนาเก่าที่ได้ทาํามาแต่ก่อนลงไปเมื่อใดรูป ก, กายนี้มันก็แตกสลายลงเมื่อนั้นเมื่อผูใ้ใดรู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่นิ่งนอนใจก็ํารีบเร่งทําความเพียรเพ่งพินิษสํารวม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 ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนี่แหละเป็นอารมณ์อยู่เสมอก็เมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันจะแตกแก่ดับอยู่แล้วไม่ทราบว่า จ, จะใช้ร่างกายนี้ไปเบียดเบียนผู้อื่นทำไมอะ่ะนี่แหละก็ใช้มันสเสวงหาเลี่ยงชีบโดยทางที่ชอบซะได้วัตถุสิ่งของหรือปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิต นั่นมาโดยทางที่ชอบโดยศีลธรรมแล้วอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม่นจะได้ของหยาบมาหรือของละเอียดมาอย่างไรก็ตามแหละแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปไม่ไม่รู้อำนาจแก่ความอยาก ที่เคยมีมาแต่ก่อนอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นแจ้งในร่างกายสังขาร น, นี่ตามไปจริงแล้วก็ไม่กระทำบาป<ม>นี่เป็นบทบาทเบื้องต้นทีเดียวเช่นอย่างท่านผู้เจริญวิปัสสนาแล้วได้บรรลุโสดาปฏิผลอย่างนี้นะ เห็นแจ้งในร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงหนูไปแล้วท่านไม่ได้ใช้ร่างกายนี้ไปทำบาปมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นเลยเรียกว่าอันนี้ละบาปนี้ขาดด้วยอำนาจแห่งสมุเดเฉดท่าประหารจริงๆถอนรากเก้าของบาปอกุศลออกจา ก, กจิตใจได้โดยแท้เลยไอ กิเลสชนิดนี้มันจะไปเกิดขึ้นในดวงกิจของพระโสดาบันต่อไปเลยท่านจีเรยว่าละมันขาดได้เพรนี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละผู้เจริญวิปัสสนาปัญญาเข้าไปเมื่อเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรขนธรรมวิเศษดังกล่าวนั้นก็สามารถละบาปอากุศลต่างๆได้ถึงไม่ขาดก็เรียกว่าส่วนย่ำยาบนี้ละได้ไปเลยถ้าจะยังกัยังส่วนกลางหรือส่วนละเอียดไปนู่นมันก็เป็นขั้นตอนไปในการละบาปก็ดี ขอสำคัญก็ขอให้ละบาปขั้นหยาบๆนี้ให้มันได้นน่ๆเพราะว่าบาปขั้นหยาบๆนี้มันพาไปนรกนะมันได้รับทุกข์ทนทรมานมากได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นานเส่ยด้วยนะให้พากันกลัว <c oughs> อย่าไป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 แล้วไปปันขึ้นให้มีอย่างนี้นะโน้พระ อ, องค์จะไปหลอกลวงคนอวิมานอะไรอย่างนั้นนะได้อะไรมาพระ อ, องค์เห็นอย่างไรพระ อ, องค์ก็ทรงตรัสอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นจริงเห็นแจ้งแต่มันสำคัญอยู่ที่ผู้ฟังสิปา น, นี้นะผู้ฟังนี่ไม่ค่อยอยากเชื่อเพราะว่ากิเลสตัณหามันย้อมจิตเอา มันสักจะเอ็นเอียงไปตามอํานาจแห่งกิเลสตัณหานน่นใจมันไม่ค่อยน้อมไปในคําสอนของบ๊อพุทธเจ้าเรียกว่ามันน้อมไปในคําสอนขอพุทธเจ้าน้อยน้อมไปทางกิเลสตัณหามากานี่นี่มันก็ล่วงเกินคําสอนของพุทธเจ้าได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจผู้ใดออื มันก็เกิดมีธรรมประเภทนั่นขึ้นอย่างนี้แหละ น, น้อมไปทางอากุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้นอ น, น้อมไปทางกุศลธรรมกุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นดังนั้นน่ะชีวิตของคนเราทั้งชีวิตนี่จึงชื่อว่าจิตดวงเดียวนี่ยสําคัญนะออต้องให้เห็นความสําคัญของจิตนี้ให้มากทีเดียวอ่ะ เราทำบุญกุศลทำคุณงามความดีต่างๆอยู่นี่ก็เพื่อจิดตดวงเดียวนี่แหละให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อผู้อื่นนี่เพื่อน้อมเอาบุญกุศลที่กระทาบำเพ็ญนี่มาชาระล้างกิเลสบาปประมออกจากจิดตดวงนี้เราไม่ได้ทำบุญเพื่ อ, อย่างอื่นเอ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 ขนทานนี่ขจัดความโลภออกจา ก, กจิตใจนั้นความตะหนีความหวงแหนนให้มันเบาบางไปให้ทานไปมากเท่าไรความโลภความตะ น, นีมันก็เบาบางไปจากใจไปเท่านั้นแหละเราจะรินเมตตากรุณารักษาศีลสมทานมั่นอยู่ในศีลก็เพื่อที่จะละความโกรธ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 แล้วเมื่อปัญญามันลึกซึ้งละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันก็จะมองเห็นว่าการที่ได้มาเกิดอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เพราะแต่ก่อนมานู่นมากนหลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตอนห่วงมันไว้ห่วงมันไว้ไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยจิตใจนี่นะ เรียว่าไม่ภาวนาซ้ำแหละคนที่ยึดมั่นในขันห้าอย่างหนิวแน่นละ่ะมันไม่ยินดีจะภาวนาฝึกจิตใจให้สงบให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็กลัวจะได้ลงได้วางขันห้านี่ดังนั้นแหละคนเรานะ่ะมันถึงหลงง่วงอยู่ในวตาสงสารนี่มันขี้เกียจทำความเพียรภาวนาฝึกผลจิตใจ นี่นะนั่นแหละเราทําความดีต่างๆดังกล่าวมานี่นะก็เพื่อที่จะชาระล้างความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งให้มันออกไปจากจิตใจนี่เท่านั้นเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ทําเพื่อมุ่งให้คนทั้งหลายได้สรรเสริญเยินยอให้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียง หรือว่าให้บุญกุศลนี่นำตนให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรไปทำนองนั้นอย่าไปมุ่งอย่างนั้นการทำความดีนะต้องให้มุ่งเพื่อให้บุญกุศลความดีเหล่านั้นมาขจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสุขความสงบของจิตใจนี่ออกไปเมื่อใจบริสุทธิ์ในขั้นไหนแล้ว ไม่ต้องปรารถนามันก็ไปเกิดเช่นว่าใจบริสุทธิ์ในขั้นที่จะต้องไปเกิดเป็นเ ท, เทวดาอย่างนี้นะเมื่อกิจวิญญาณละจากร่างอันนี้แล้วมันไปเองมันแหละบุญกุศลนั่นแห ล, ละพาไปเลยไม่ต้องปรารถนามันก็มันก็ไปเองมันเพราะมันมีขั้นตอนอยู่เป็นอย่างนั้น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 ไปขึ้นรถยนต์นั้นโซเฟอร์มันก็พาบึงไปสู่ที่ตนต้องการจะไปนั่นนะอย่างนั้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลบำเพ็ญกุศลธรรมประเภทไหนให้เกิดมีขึ้นในตนกุศลธรรมประเภทนั้นก็เป็นญาณพาหาระรองรับดวงจิจนี้ไปสู่ที่หมายปลายทางนั้น แต่ถ้าว่าคนใดมาทำละจิตนี่ให้กิเลสมันหมดสิ้นไปจากจิตใจนี่จริงๆรงเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหน้าคืนหลังอะไรแล้วบันนี้น ะ, ะนั่นอันที่ว่ายังไปหน้ายังคืนหลังอยู่นี่หมายความว่ายังละกิเลสต่างๆยังไม่หมด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 Mm. นั่นแหละถึงได้มีคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นในท่านผู้เช่นนั้นน่ะนามว่าพระอระหันต์แปลว่าพระผู้หยุดหมุนไปในวตาสงสารแล้วหย mm. ุดมุ่งหมายของการประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆ ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ดังกล่าวมานี่อย่าไปตั้งเป้าหมายไว้พิษถ้าว่าตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นมันก็จะไม่นิ่งนอนใจแล้วบบนี้เพราะรู้รู้ดีว่าเมื่อตอนสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้ว ตนก็ยังจะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่อย่างนี้แหละไม่ยังยังจบลงไม่ได้ก่อนเพราะการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกขาชาติปุรนภูนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์มากอก็ให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้บางคน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 มีปัญญาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแล้วมันไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตจริงๆ่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากภายในจิตใจของคนเราเนี่ยด้วยเหตุ น, นั้นนะพระศาสดาจึงตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั่นเนี่ย <c oughs> ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย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 ละตันหาประเภทนั่นได้นี่ความอยากทำบาปนั้นมันก็ระงับลงแหละเพราะว่ามันกลัวทุกนี่มันไม่ต้องการทุกไม่ต้องการหมุนเวียนไปหาทุกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดอยากจะรู้จักว่าบาปบุญอยู่ที่ไหน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 รู้เรื่องของตัวเองว่าตนตายลงไปนี่ไม่ไม่ต้องไปสู่ทุ ก, กติแน่นอนทีเดียวก็พยากรณ์ตัวเองได้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจึงสมกับว่าสันทิทโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองเห็น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 เวลาที่ใครทำอะไรไม่ถูกใจมันยังโกรธรุนแรงคิดจะฆ่าจะแกงอยู่อย่างนี้นะแสดงว่านั่นแหละผู้นั้นสร้างนรกขึ้นในใจแล้วเมื่อนรกมีอยู่ในใจนี่แล้วโลกหน้านุ่นมันก็มีอยู่แล้วบบนี้น ะ, ะมันเป็นอย่างไง อย่าไปสงสัยเลยถ้ากิเลสอย่างว่านั้นไม่ปรากฏอยู่ในใจแนละ้วนรกในโลกหน้านั้นก็ไม่มีนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้านะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาสิ้นสงสัย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 สวรรค์คงค้นพบพระนิพพานก่อนคนอื่นทั้งหมดกลัวว่าจะพบก็ได้รับความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเพราะว่าเป็นผู้บกบุกเบิกเป็นผู้แรกเป็นพระองค์แรกนั่นมันก็ต้องลำบากแหละทีนี้เมื่อพระองค์รู้แจ้งหนทางพ้นทุกข์ได้โดย ชัดเจนแล้วพระองค์เจ้าก็กลั่นกองเอาทางพ้นทุกขนั้นโดยเฉพาะมาแสดงให้ผู้อื่นฟังบะนี้นะให้คนทั้งหลายฟังอ่ะคนทั้งหลายฟังแล้วก็ได้รู้ชัดเลยว่าอ๋อ oh, นี่เป็นทางพ้นทุกจริงๆนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปทนทุกข์ทรมานค้นคว้าให้ลําบากหมายความว่าพราะองค์หยิบยื่นเอาให้เลย